เจตนาผิดกิจทางหลุดพลยุคของผู้เขียนมาพักชั่วงคราวอยู่ผูเจ้าก่อนนี้สนุกฟังเทศทั้งภายนอกภายในมากมายนักที่ว่าพักอยู่ชั่วงคราวก็หมายความว่าที่สมมติกันว่ามินาทีหนึ่งก็ดีนาทีหนึ่งก็ดีชั่วโมงหนึ่งก็ดีวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีเดือนหนึ่งก็ดีปีหนึ่งก็ดีสองพันห้าอยี่สิี่ก็ดีเป็นเวลาน้อยนักไม่หยุดยัง้งล่วงไปล่วงไป จะว่าวันเวลาล่วงไปก็ถูกจะว่าชีวาร่วงไปตามสมมติก็ถูกแต่ปรมัดมิใช่สัตว์มิใช่ชีวิตไม่มีใครๆล่วงไปไหนส่วนวันคืนก็ไม่ล่วงไปไหนเอกะลัทธตินที่หวังมีแต่กลางคืนกับกลางวันเท่านั้นพูดกลับไปกลับม า, พบบมาเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในการพูดกลับไปกลับมาทังสมมติและปรมัติแต่ก็ตรงกันข้ามสิ่งที่ติดก็คอยแต่จะติด เช่นยางขนุนและยางมะตอยสิ่งที่ไม่ติดก็ไม่ค่อยอยากติดเช่นน้ําค้างบนใบบัวปลายเหล็กแหลมไม่เก็บพันมเมล็ดผักกาดไว้นกบินในอากาศก็ไม่มีรอยมีดเฉนน้ําก็ไม่มีแผลธรรมะในทางพระพุทธศาสน า, า, าเป็นธ ร, รมลุ่มลึกและสูงยิ่งกว่าศาสน า, า, าใดๆทั้งสิน้นผูกขาดอยู่ทุกการไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมตามเป็นจริงของธรรมมีได้พูดเข้าข้างตัว ตามความสําคัญว่าตัวเป็นเจ้าธรรมยอมยกธงเขายอมให้ทำอยู่เหนือตัวเสมอเสมอไม่ตีตนเสมอทำเลยฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงยอมเคาลบธรรมถือว่าธรรมทรงอยู่ก่อนพระองค์ถ้าธรรมไม่ทรงมีอยู่ก่อนพระองค์แล้วพระองค์ก็ไม่สามารถจะรู้ธรรมได้ศาสนาอื่นๆรู้ได้ปฏิบัติได้เพียงแค่เหตุผลแต่ไม่ใช่ทางเหตุผลไปทางโลกุตตะมีแต่ตามความประสงค์ของกิเลส ไปทางวัตถุนิยมเป็นอัตราทิปปะไตเข้าข้างตนเข้าข้างกิเลสอย่างลึกบ้างอย่างโลดผลสุขเอาเผากินเจอแต่ก้างเต็มโลกฉะนั้นสมณะทั้งสี่จึงไม่มีในศาสนาอื่นๆนอกจากศาสนาพุทธคือโสดาสกตาคาอนาคาอัลหันแต่พากันบัญญัติเอาแบบเข้าใจผิดบ้างแบบหัวดือ้อหัวแข็งสาลำพังแข็งดีบ้างประมาทบ้างในมหาปรินิพานสูตร พระบรมมาสดาจึงยืนยันตามธรรมาทิปไตยว่าสมณะในที่อื่นนอกจากพุทธศาสนาแล้วไม่มีสมณะท่านสี่ดังกล่าวนั้นเลยเพราะศาสนาอื่นประพฤติปลดมุ่งลาภามิที่ตนหวังข้อวัดปฏิบัติทั้งปวงจะเด็ดเดียวสักเพียงไรก็ตามเจตนาไม่นอกเหนือไปจากมุ่งลาภภายนอกที่ตนหวังจึงปิดหนทางอันจะออกจากชาติชลาพยาธมลณนะไปได้เสียแล้ว เพราะผู้ต้นศาสนาทั้งหลายเหล่านั้นศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นไปได้เพียงโลกียาวิสัยอย่างสูงก็พล ม, มโลกเข่านั้นด้วยกําลังฌานโลกีไม่สามารถเป็นธรรมเบื่อใน่ายคลายเมาคลายกําหนัดได้พอได้เป็นนิสัยได้เท่านั้นแม้ผู้ถือศาสนาพุทธแต่เจตนาเป็นเจ้าเรือนมุ่งปัจใจสี่เป็นเจ้าใหญ่นายโตของเจตนาเป็นเจ้าเป็นจอมอยู่ก็ไม่สามารถจะบรรลุพร ม, มจันเบื้องต้นได้ในปัจจุบันาชาติ คือพระโสดาบันได้เลยจะเดินจงกรมภาวนาตลอดคืนตลอดวันอดข้าว อ, อดอาหารจนขุมขนผมหล่นก็ตามไม่ขึ้นถึงโสดาได้ทั้งนี้เพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุมุ่งลาบมุ่งอามิตรภายนอกปิดประตูแล้วแต่พอเป็นนิสัยในชาติพบส ต, ตอไปนั้นได้อยู่ข้อนี้นักปฏิบัติควรโอปนญิโกน้อมเข้ามาในใจตนตรวจ ด, ดูเจตนาตนให้แยกขายทั้งนั้น เว้นไว้แต่ไม่ต้องการพระอริยะในชาตินี้ชั้งใดทั้นหนึ่งหรือจนถึงที่สุดโดยด่วนเท่านั้นผู้ไม่ต้องการโลกุตตะกับผู้นอนใจในสงสารกับผู้หวังอามิตเป็นเจ้าหัวใจก็อันเดียวกันนั่นเองสติปัญญาเป็นอาจารย์อันหนึ่งอดีตอนาคตย่อมเป็นเมืองขึ้นของปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นผู้สงสัยออมมาใช้ให้รู้ความหมายเมื่อปัจจุบันเป็นโลกียะวิสัย อดีตอนาคตก็พลอยเป็นโลกียวิสัยไปด้วยแต่อดีตอนาคตไม่มีชื่อมีแต่ชื่อและบัญชีเพราะล่วงไปแล้วเพราะยังไม่มาถึงดีก็ดีไปแล้วชั่วก็ชั่วไปแล้วอนาคตเล่าถ้าจะดีก็ยังไม่มาถึงถ้าจะชั่วก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมเท่านั้นจะละเวียนได้ในทางที่ไม่ชอบและก็จะปฏิบัติได้ในทางที่ชอบถ้าหากว่า คอยไปบทเอื้องอยู่แต่อดีตอนาคตเท่านั้นก็ลืมโอปณญยิโกมาในปัจจุบันจิตใจก็ห่างเหินจากสมาธิและปัญญาผู้กำลังเดินมรรคภาวนายังไม่หลุดไม่พ้นจากความหลงของเจ้าตัวโดยสิ้นเชิงแล้วก็สงสัยลังเลในปฏิปฏาทาของตนจับต้นชนปลายอยู่มั่วสุมเดี๋ยวก็กล่าวตู่ตนว่ากรรมฐานแบบนั้นดีแบบนี้ดีอยู่อย่างนั้นอุบายกรรมฐานวิธีใดๆก็ตาม ถ้าไม่เขาลบหลักไค่ปฏิบัติอาจารย์สติอาจารย์ปัญญาในปัจจุบันแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเว้นไว้แต่ท่านผู้คนไปแล้วเพราะปัญญาขององค์ท่านแก่กล้าเหนือความหลงไปแล้วย่อมไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะขาดจากอุปาทานในเงื่อนทั้งสามไปแล้วถึงจะเอามาใชา้ตามชาวโลกนิยมพูดกันก็ใช้แบบไม่มีพิษเลย นกบินในอากาศวันยางค่ําก็ไม่มีรอยมีเฉือนน้ําวันยางค่ําก็ไม่มีรอยอดีตอนาคตปัจจุบันเมื่อมีผู้เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของย่อมเป็นโทษในธรรมสุดท้ายของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเพราะมีวิญญาณปฏิสนธิสัมปะยุกันอยู่มีทั้งเหตุกรรมวิบากสมดุลกันอยู่ในตัวไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังผู้ไม่หนักในอาณาปานสติพร้อมกับเจต ส, สิกที่นึกคิด และผู้รู้ในขณะเดียวกันแล้วจะเห็นจะรู้ตามเป็นจริงได้ยากและจะไม่ยอมเชื่อได้ไง่ายๆในธรรมตอนนี้เพราะเป็นธรรมอันละเอียดมากมายนักจะเห็นจะรู้ได้บ้างแบบมัวมัวมอเมา่ก็เพียงแต่รูปประขันอันหยาบหยาบเท่านั้นตายคารูปประขันที่กําลังพิจารณาอยู่มิได้ส่งลงถึงตรายรักให้เห็นแจ้งชัดด้วยสติปัญญาอันชอบแท้อย่างสูงก็ไปเกิดเป็นพรหมที่มีลูกเท่านั้น จะอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีญาณอันท่องแท้รู้ปฏิบัติรู้ชัดรู้ชอบในอนัตตาจิตอนัตตาธรรมอนัตตาผู้รู้รู้แล้วในขณะเดียวโดยไม่ได้สงสัยหาแล้วจะเบื่อจะหนจะคลายจะหลุดจะพนจะความหลงโดยสิ้นเชิงย่อมเป็นไปไม่ได้แต่การพิจารณาเลยครูเลยเถิดไปจนเห็นดิ่งลงไปว่าศูนย์ไปหมดโดยไม่ได้ไว้นาไม่มีขอบเขต เกินความเป็นจริงของธรรมแท้แล้วก็ย่อมตกนรกเป็นคิติมานะขุมดิ่งก็ไม่มีศาสตาใดๆจะสอนได้อีกละเพราะคําว่าปัจจับตังย่อมเอามาอ้างได้ทั้งโลกีและโลกุตตะทั้งนั้นคําว่าอักาลิโกก็เหมือนกันอักาลิโกและปัจจับตังของพระอรหันต์เป็นธรรมอันไม่มีกิเลสสิงห์ต่ากว่านั้นลงมาก็อ้างอักาลิโกและปัจจับตังตามภูมิของตนได้ทั้งนั้น แม้ผู้เขาถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีมรรคผลนิพพานอาการลิโกของเขาเขาก็อ้างได้ว่าไม่มีบาปไม่มีมรรคไม่มีผลอยู่ทุกการตลอดถึงปัด จ, จัดตังเขาก็อ้างได้ว่าเห็นและรู้เฉพาะตนเองอยู่ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีมรรคผลนิพพานเลยดังนี้ฉะนั้นการอ้างบาลีจึงเอาเป็นประมาณได้ยากนักเช่นเขาเอาทองแก ไปลวงคนโง่ว่าเป็นทองแท้ก็ได้แต่ไม่อาจลวงผู้ที่รู้จักทองแท้ได้ง่ายๆเลยทำคําสอนของพระพุทธศาสนาแท้มีได้ลวงโลกโลกลวงโลกต่างหากกิเลสลวงกิเลสต่างหากขี้ขโมยลวงขี้ขมายเวีนสนองเวีนภัยสนองภัยศีลสนองศีลสมาธิสนองสมาธิปัญญาสนองปัญญานิพพิธาสนองนิพพิทาวิลาคะสนองวิลาคะวิมุตติสนองวิมุตติ วิสุทธิสนองวิสุทธินิพพานสนองนิพพานไม่ต้องสงสัยในการสนองเลยหลับตาเข้าก็สนองมือนปลาลบชั้นสูงชั้นต่ำปะปนกันแกงหม้อใหญ่หรือเล็กผู้ฉลาดย่อมไม่รับเกินทั้งก้างและกระดูกย่อมเลือกรับเอาผู้น้อมทําบูชากิเลสเมื่อวัยชร แ, แก่ชรามาเท่าใดใกล้สิ้นลมปลานก็สนุกฟังเทศเ้ยนแงกองกรูปปนามขันวิบัติแก่เจ็บตายก็ไม่ลงทำบ้านเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณก็ไม่ลงธรรมาะอานิจจตาทุกขตาอนัตตาก็ไม่ลงธรรมาะอากาลิโกมีอยู่ทุกการเทศอยู่ทุกการอริยะสัจธรรมทั้งสี่ก็เทศอยู่ทุกการผู้ฟังตามเป็นจริงปฏิบัติและพิจารณาตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงพ้นจากความสงสัยตามเป็นจริงไปเป็นชั้นชนัก็มีอยู่ทุกการผู้ที่ถึงที่สุดทุกขโดยชอบก็มีอยู่ทุกการ ตรงกันข้ามผู้ไม่อยากฟังเทศเสียเลยก็มีอยู่ทุกการผู้ยอมฟังเทศแต่น้อมทําลงมาบูชากิเลสของตัวก็มีอยู่ทุกการเช่นน้อมลงมาผูกเอาเล็กเอาผาอันเห็นผิดเป็นชอบเข้าข้างกิเลสของตัวก็มีอยู่ทุกการผู้ให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อโลกีก็มีอยู่ทุกการดอกบัวสีว่เหลว ก, ก็มีอยู่ทุกการภ ก, ก, ก, กาลิโกย่นลงมาโดยย่อมีสองโลกียะหนึ่ง โลกุตตะละหนึ่งปัด จ, จัดตังก็ย่นลงมาเป็นสองมีความหมายอันเดียวกันสวากขาโตภะวตาธรรมโมก็เหมือนกันทำที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณากล่าวดีแล้วทั้งโลกียะและโลกุตตะละกล่าวตามชั้นปฏิปตาของมนุษย์และเทวดามารพรผู้ปฏิบัติอันเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลของผู้ปฏิบัติอันจะได้รับตามเหตุผลเท่าที่นตนสร้างขึ้นในมโนภาพ อรหัตตผลกับกรรมเก่าส่วนอรหัตตผลเป็นผลขาดตอนมิได้โยงถึงเหตุเพราะเหนือเหตุไปไกลแล้วจะโยงคืนมาคุกเข้ากับเหตุมิได้เพราะสัตสพานกับเหตุอยู่ในตัวสิ้นเชิงไปแล้วเหลือวิสัยไม่เป็นฐานะจะโยงคืนมาอาศัยเหตุอรหัตตะมัตและต่ํากว่านั้นลงมายังอาศัยเหตุอยู่แต่เหตอุอรหัตตะมัตเป็นเหตุละเอียดที่สุดในพระพุทธศาสนา ส่วนผลอันขาดตอนกับเหตุในอรหัตผลเล่าก็เป็นผลอันละเอียดที่สุดในพระพุทธศาสนาไม่เป็นหน้าที่ที่จะมาเดาด้นคาดคเนให้เป็นธรรมมัจฉากัด ช, บชอบตาดําตาแดงใส่กันเลยผลของการปราศจากโลกโกรธหลงโดยสิ้นเชิงนี้เป็นปัจจิตังและสันติโกสุดท้ายของพระพุทธศาสนาธรรมดามนุษย์เทวดามารพรมจิตใจและสติปัญญาอยู่ในระดับโลก ก็ยืนยันความเห็นของตนอยู่ในระดับนั้นจะปลาลอบออกมาหรือไม่ปลาลอบออกมาก็ไม่เป็นปัญหาแต่พระบรมศาสดามีได้รับรองโดยถ่ายเดียวว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยความรู้และความเห็นแต่ท่านผู้ใดปราศจากโลคโกรธหลงแล้วท่านผู้นั้นแหละเป็นผู้บริสุทธิ์โดยแท้แต่โดยมากมักจะเอาความรู้และความเห็นของตนอันยังมีกิเลสอยู่มาเป็นความบริสุทธิ์โดยขิ้นเชิง บางท่านยังไม่ได้อริยมรรคอริยผลชั้นใดชั้นหนึ่งเลยเถียงเอาก็มีเถียงเอาในทางตรงและทางอ้อมก็มีเพราะอยากได้แต่ยังไม่ได้เลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมและผลของกรรมอีกละกรรมและผลของกรรมเป็นของละเอียดมากนักหนาทแท้แทแม้พระอาหารหันต์มีผลกรรมเก่าตามมาก็จริงแต่ปัจจุบั น, นกรรมและอนาคตกรรมไม่มีผลของกรรมเก่าตามมาถึงก็พบแต่เลือนลาง คือขันห้าล้วนๆและก็ไม่มีกิเลสยึดถือเอาเป็นเจ้าของอยู่ในเรือนลางว่างเปล่าคือขันห้านั้นเพราะเป็นขันที่ไม่มีเจ้าของหลงเพราะทอดบังสกุลไปแล้วคล้ายกับเอาไฟไปเผาน้ําไหลที่เทออกจากกระถนแล้วเจ้าของน้ําไหล ย, ย่อมไม่เดือดร้อนและไม่ผูกเวรผูกภัยผู้ไม่ต้องระวังใจผู้เขียนอยู่นี้ล่ะเป็นอย่างไรเล่าตอบว่า เขียนตามกายยสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารจะเอาการเขียนการอ่านมาเป็นเครื่องบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้เพราะความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ต้องอยู่้ากการเขียนการอ่านย้อนหลังคืนมามีได้ตามฝากไปหาอนาคตและอดีตแล้วแต่สารธรรมในปัจจุบันตรวจ ด, ดูจะตรวจผิดตรวจถูกก็ ข, ขึ้นอยู่กับสารธรรมในปัจจุบันเท่านั้นสารอาดีตก็ล่วงไปแล้ว สารอนาคตก็ยังไม่มาถึงสารปัจจุบันเท่านั้นจึงจะตัดสินได้ถ้าหากว่าสารปัจจุบันไม่ลำเอียงก็ตัดสินพอดีพองามถ้าหากว่าลำเอียงแล้วก็ตัดสินหย่อนบ้างเกินบ้างลำเอียงหมายความว่ากิเลสยังมากอยู่ปรมมณูของกิเลสย่อมดึงดูดไปไม่รู้ตัวทำคําคสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมอันลุ่มลึกละเอียดมากกว่าศาสนาใดๆทั้งสิ้น ผู้มีอำนาจวาสนาน้อยอินรีห้าพละห้ายังอ่อนอยู่ย่ำเป็นไปได้ยากอินรีห้าพละห้านั้นท่านกล่าวไว้ว่าทำอันเป็นกำลังห้าประการให้สมดุลกันคือศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อ ว, ว่าบาปมีบุญมีมรรคผลนิพพานมีเชื่อ ว, ว่าศีลห้าศีลแปดศีล ส, สิบศีลมาในพระปาติโมกหรือพุทธบัญญัติและอภิสมาจาระ ย่อมเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้รักษาและประพฤติได้ย่อมเป็นไปได้ทั้งโลกีและโลกุตตละต้องขึ้นอยู่แต่ละลายของบุคคลตามเหตุผลเฉพาะส่วนตัวเป็นลายลายไปแม้ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อก็เหมือนกันเป็นได้ทั้งโลกีและโลกุตตละขึ้นอยู่แต่ละลายของบุคคลอีกวิริยสติสมาธิปัญญาก็เหมือนกันที่เอาศีลมาแจ้งเข้านี้เป็นโวหารพิเศษ ความหมายของพระพุทธศาสนาโดยมากถ้ากล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาแล้วจะถือเป็นกฎเกณฑ์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันเป็นต้นไปเพราะเป็นศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่โลกุตตะก้าวหน้าไปไม่ถอยหลังไม่วนเวียนเหมือนศีลสมาธิปัญญาของโลกียวิสัย เพาข้ามโคตรโลกียะแล้วไม่สงสัยในปฏิปทาทางดําเนินของตนมีปัญหาว่าพระอรหันต์เ่าจัดเป็นศีลสมาธิปัญญาได้หรือไม่ตอบแบบติดไม่ขาวว่าจัดเป็นมหาวิมุตติศีลมหาวิมุตติสมาธิมหาวิมุตมมมติปัญญาแต่มิได้เลี้ยงแบบกลมคืนกันอยู่ในขณะเดียวทุกอิริยาบทของ จ, จิตใจมิได้รักษาลำบากเหมือนผู้คุมคุมนักโทษ เพราะเจอของที่ไม่มีโทษเจือเลยแม้แต่นิดเดียวผู้เตรียมระวังอยู่กับผู้มีโทษอยู่ก็มีความหมายอันเดียวกันผู้มีใจที่ไม่มีโทษแล้วจะระวังใจทำไมแต่เมื่อยังไม่ถึงพระอระหันต์ก็ต้องระวังใจอยู่ถ้าไม่ระวังมันก็ผิดจริงๆไม่น้อยก็มาตาหูจมูกลิ้นกายลูกเสียงอินรดโพธสัพพะไม่สาคัญเท่าใดนัก เพราะเป็นหน้าที่ส่งเมเข้ามาสู่เมืองใจใจผู้ตรวจเมเป็นตัวสำคัญเมื่อรับทราบแล้วใจโอนเอียงไปทางไหนเหล่าใจต้องตรวจดูใจทั้งเหตุผลโดยเฉพาะใจให้แยบใายใจอย่าตื่นว่าเป็นเมใหม่ก็แล้วกันคือเมเก่าเรื่องเก่าที่เคยส่งเข้ามาประจำเป็นนิจวัตรนั่นเองถ้าใจต่ารับเมแล้วก็รักบ้างชังบ้างเฉยบ้างคาว่าเฉยแปลว่าเมที่ไม่น่ารักเมที่ไม่น่าชัง ใจชั้นสูงก็เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นรู้ในที่นี้หมายความว่ารู้ด้วยปัญญาเห็นในที่นี้หมายความว่าเห็นด้วยปัญญาส่วนใจชั้นกลางสติปัญญาชั้นกลางก็สารพัดจะน้อมลงสู่ตามสติปัญญาของตนตามอิสระเท่าที่เห็นสมควรเพราะนานาจิตตังนานาธรรมมังท่านผู้ไม่ติดอยู่ในจิตไม่ติดอยู่ในธรรม ไม่ติดอยู่ในผู้รู้นั้นคือพระอาหารหันต์เพราะรู้เท่าจิตรู้เท่าธรรมลูเท่าผู้รู้โดยแท้จริงแล้วจิตก็ดีธรรมก็ดีผู้รู้ก็ดีจึงไม่มีพิษไม่เป็นปัจจัยส่งต่ออะไรอะไรให้เป็นไปในอนันตละเหตุยอนันตละผลอันเป็นสหาชาติให้วนเวียนในสังสารวัฏอวิชาตัวง้ง้อหลงหลงถูกทําลายไปด้วยมรรคปัญญาญาณอันท่องแท้เป็นมหาสัมมาวิมุตติ เป็นมหาสัมมาญาณสามคัคคีกรมเกี่ยวดึงดูดกันทันเวลาในขณะเดียวโดยไม่ได้สงสยัยลองเรียกหาชนะสงครามโลกหลงด้านภายในที่เคยดองขันทัันดานมาไม่มีประตรูไม่มีเวลาจะขบคืนได้เรียกว่าชนะสงครามอาวิชาก็ได้ไม่ติดสังขารวิญญาณนา ม, มารูปอายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานภพชาติชลา มลณะโศกะปลิเสวะทุกขะโทมนะตุปายาตไม่ต้องกล่าวพัลลานาเลี้ยงแบบไปก็ได้ไม่ต้องสาวไปไม่ต้องสาวกลับเป็นอนุลมเป็นปฏิลมก็ได้เพราะตัดในระหว่างไหนไหนขาดแล้วใช้ได้ทั้งนั้นแหละเพราะเหตุว่าเป็นเชือกเส้นเดียวกันเป็นบ่วงอันเดียวกันเป็นลูกโซ่อันเดียวกันที่เกี่ยวข้องติดโยงกันเป็นวงกลมตัดขาดที่ไหนใช้ได้ทั้งนั้นแก้ได้ทั้งนั้น หลุดไปได้ทั้งนั้นพ้นไปได้ทั้งนั้นไม่สงสัยยินดีในปัจจุบันคือปฏิบัติถูกทางบางท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเบื่อชอบแล้วนายชอบแล้วพ้นชอบแล้วในเรื่องอดีตอนาคตนี้แต่ทุกวันนี้อาศัยอยู่แต่ในปัจจุบันเท่านั้นดังนี้ก็มีแต่ข้าพเจ้าผู้เขียนเข้าใจว่าผู้ยินดีในปัจจุบันแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางเดินมรรคภาวนาถูกทาง แต่ยังมิได้หลุดพ้นถึงขั้นอรหันต์เป็นเพียงเดินมรดยมรดยหนึ่งอยู่เท่านั้นและได้รับผลใดผลหนึ่งอยู่ในตัวเท่านั้นยังมิใช่อรหัสผลเป็นเพียงได้ดื่มปิติความอิ่นใจที่พอใจในสมถะและวิปัสสนาในปัจจุบันแล้วหลงยึดถือเอาปัจจุบันเป็นพระนิพพานปัจจุบันมิได้เป็นพระนิพพานเป็นเพียงทางเดินเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเองด้วยอำนาจมรดามรดี มักสามคัคคีกับศีลสมาธิปัญญารวมพลกันในขณะเดียวกันไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลังในชั้นติดอยู่ในปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมนี้มิใช่เดินทางถึงปลายทางแล้วเป็นเพียงใช้คําว่าเดินถูกทางเฉยเฉยท่านพูดถึงอรหัตผลแล้วมิได้ติดข้องอยู่ในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันหรือศูนย์ศูนย์สรมสารหรือไม่ศูนย์ไม่สารหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นถ้าหากว่า ติดอยู่เงื่อนใดเงื่อนหนึ่งแห่งปัจจุบันแล้ววิญญาณปฏิสนธิก็มีเกิดมีตายอยู่ในปัจจุบั น, นจิตปัจจุบั น, นธรรมนั่นเองความทเทยอะทะยานในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเป็นสมุทัยและตันหาอันละเอียดมากมเมื่อเป็นตันหาอันละเอียดก็เป็นอุปาทานพบชาติชลามรณนะอันละเอียดอยู่ในตัวด้วยไม่ต้องจํากล่าวไปใหญ่ก็ได้เหตุไฉนจึงติดอยู่ในปัจจุบันจนลืมตัว จนสำคัญตนว่าตน้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงเพราะเหตุว่าสำคัญตนเป็นปัจจุบันและสำคัญปัจจุบันว่าเป็นตนในสองแง่นี้แล้วก็แตกแยกออกไปอีกเป็นอีกสองแง่รวมเป็นสี่คือสำคัญว่าผู้อื่นเป็นปัจจุบันสำคัญว่าปัจจุบันเป็นผู้อื่นเมื่อสาคัญว่าตนมีอยู่ในปัจจุบันสาคัญว่า ปัจจุบันมีอยู่ในตนแล้วจะไม่หลงไปยึดถืออดีตอนาคตว่าเป็นตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลนั้นเป็นไม่มีเลยเป็นเพียงสติปัญญาไม่กา้าแล้วก็เข้าใจผิดฟิดตัวขึ้นว่าละได้แล้วเรื่องอดีตอนาคตความสําคัญตัวย่อมเป็นรากเงาของกิเลสอยู่โดยตรงๆแล้วจะปฏิเสธไปไหนก็ไปไม่หลอดเลยอดีตอนาคตปัจจุบันก็คล้ายๆกับปลาตัวเดียวแต่หัวและหางไม่กิน เพราะไม่อร่อยแต่เป็นยาเษสษติดมากินปุงของมันที่ตรงกลางตัวแล้วจะยืนยันว่าเราไม่กินปลาตัวนั้นดอกดังนี้ก็ไม่ทนตกจูแบบฉลาดแต่แกมโกงซึ่งซึ่งหน้าท่านผู้ทรงคุณปัญญาคมขายชำแหละกิเลสย่อมรู้ได้ไม่ต้องดำดินบินบนเหมือนนกและปาลาไหลก็รู้ได้ไม่ค่อยผิดปัญญาย่อมเป็นนายหน้าของธรรมทุกประเภททั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตตระ ทางโลกีหยาบๆที่เป็นนายหมวดนายพักนายพวกนายพันนายพลต้องเอาผู้ฉลาดเป็นหัวหน้าทางพุทธศาสต์หนาว่าบัณฑิตบันฑิตาปลินายกาบัณทิตเท่านั้นจึงควรเป็นหัวหน้าของกายวาจาคือใจที่ประกอบด้วยปัญญาณติพาลาปลินายกาผลผานมิใช่ควรเป็นหัวหน้าใจที่เป็นผานไม่ควรเป็นหัวหน้าของกายวาจา นีนอมเข้ามาในฝ่ายปฏิบัติทางธรรมปรมาติ์เพื่อให้รู้ชัดปฏิบัติสะดวกเป็นโอปณะยิโกไม่สงสายหนีหลักเดิมการนึกคิดทั้งปวงออกไปจากครอบใจต้องกลับเข้าครอบใจใครเป็นเจ้าของใจใจที่มีกิเลสย่อมยึดถือเอาใจเป็นตนตนเป็นใจใจที่ไม่มีกิเลสิงจะบัญญัติและไม่บัญญัติก็มิได้ติดอยู่ในเงื่อนในดๆทั้งสิน้น นี่คือธรรมในพระพุทธศาสนาลึกซึ้งเพียงใดเล่าโลกาเอ๋ยเหตุนั้นพระบรมศาสดาตัดสรุใหม่ๆจึงใช้กิริยาว่าละอาจะสั่งสอนโลกและเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องใช้กิริยาอย่างนั้นก่อนจึงเป็นเหตุให้พรหมได้อาราษนาตามธรรมเนียมธรรมเนียมกับธรรมวินัยธรรมเนียมอ่านว่าธรรมเนียมธรรมเนียมนี้ว่าโดยย่อแบ่งออกเป็นสอง เป็นโลกียะธรรมเนียมเป็นโลกุจละธรรมเนียมสัมมาสัมพุทธะธรรมเนียมปัจเจกพุทธธรรมเนียมสาวกธรรมเนียมสาวิกาธรรมเนียมโสดาปฏิมักโสดาปัฏิผลธรรมเนียมสกทาคามีมักสกทาคามีผลธรรมเนียมอนาคามีมักอนาคามีผลธรรมเนียมอรหัตตะมักอรหัตตผลธรรมเนียมจะธรรมเนียมใดๆก็มีธรรมวินัยเป็นประมาณขอบเขตไม่เลยเถิดเพราะอยู่ระดับธรรมวินัย เป็นชั้นๆของกลุ่มนั้นๆไม่ได้เอากิเลสเป็นนายหน้านายกของธรรมเนียมเพราะเข้าสู่โลกุตตระธรรมเนียมแล้วโลกียะธรรมเนียมนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้หมู่มากลากไปทางธรรมเนียมผิดก็มีหมู่มากลากไปทางธรรมเนียมถูกก็มีหมู่น้อยลากไปทางธรรมเนียมถูกก็มีหมู่น้อยลากไปทางธรรมเนียมผิดก็มีเพราะทางโลกียวิสัยเลือกเป็นธรรมวินัยมาเป็นอาจารย์ ยังไม่สัมทับยังบกพร่องทางเหตุผลอยู่บางทีเหตุชั่วแทๆ้ๆบัญญัติเอาดื้อว่าเหตุดีก็มีเช่นเหตุแห่งอบายามุกทุกประเภทเป็นต้นเป็นเหตุแห่งชิบหายตรงๆไม่มีสารอุทธรเลยในทางคำวิมมนัยแล้วบัญญัติเอาดื้อว่าเป็นทางเจริญแห่งโคพคาซั์ก็ไม่ผิดแปลกจากบัญญัติว่าเห็นกงจักเป็นดอก บ, บัวแล้วเอื้อมมือเข้าไปจับมือก็ขาดแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามือขาด เพราะเข้าใจผิดว่ากงจับเป็นดอก บ, บัวโลกียวิสัยย่ำเป็นกันอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากฉะนั้นพระบร ม, มาศาสดาจึงลงทุนลงแรงสร้างบ า, ามีมาในสงสารอเนกปริยายเพื่อผลลือเอาสัตว์ออกจากความเข้าใจผิดที่เห็นผิดเป็นชอบเพื่อให้เห็นชอบเป็นชอบตรงกับเหตุรงกับผลด้วยทรงพระเมตตาอันหาประมาณนี้ได้ด้วยทรงพระมหาการุณา ดังสาคร อ, อันหาประมาณไม่ได้เลยถึงกันนั้นก็ลื้อได้ขนได้เท่าเขาโคเท่านั้นส่วนผลโคนั้นลือไม่ได้มอบไว้ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตต่อไปตามกรรมและผลของกรรมของสัตว์โลกแต่ละลายเป็นยุ ค, ย, คยุคและสมัยทำดีทำชั่วไม่ลาสมัยเขียนทั้งต่ำทั้งสูงทั้งลึกทั้งตื้นปะผลกันไปเมื่อมีเวลาชีวาทรงอยู่ก็เขียนซะกซำซ้ำซำซำซำ ตามภาษาของผู้ลูงูงูปลาปลาลาสมัยแต่ก็ไม่มีท่านผู้ใดลาสมัยเลยในโลกนี้ถ้าทำดีก็ไม่ลาสมัยในทางดีถ้าทำชั่วก็ไม่ลาสมัยในทางชั่วถ้าพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ลาสมัยจากพระอรหันต์ไม่ลาสมัยทั้งเข้าสู่อนุ ป, ปานที่เสสนิพานด้วยการไม่ลาสมัยก็ไปจบกันในที่นั้นต่ากว่านั้นลงมาการไม่ลาสมัยนั้น ขึ้นอยู่กําเหตุผลทางดีและทางชั่วที่สร้างขึ้นหันย้อนคืนมาปาลารบเจตนาของผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาย่นลงมามีสองเจตนาคือเจตนาโลกียะหนึ่งเจตนาโลกุตตะละหนึ่งเจตนาดีความประสงค์ดีความต้องการดีความหมายดีความอธิษฐานดีความหวังดีก็มีความหมายแห่งใจความและรสชาติอันเดียวกันจะผิดกันบ้างก็แต่ต้องการช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละ เจตนาโลกุตตะละก็แยกออกไปหลายประเภทประเภทที่หนึ่งเจตนาพุทธภูมิออกปากบ้างไม่ออกปากบ้างได้รับลับทธพยากรบ้างยังไม่ได้รับบ้างตามเหตุผลที่ได้จ้างมาน้อยและมากในปุเรชาติเป็นศรัทธาทิกะบ้างปัญญาทิกะบ้างวิริยาทิกะบ้า ง, าางตามเจตนาที่ชอบของตนพุทธภูมิจาพวกที่ได้รับลับบทธพยากรแล้วจึงเป็นการแน่นอนได้ ไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงไปทางอื่นต่ำกว่านั้นลงมาในพวกปรารถนาพุทธภูมินี้สามารถเปลี่ยนแปลงเจตนาของตนไปทางอื่นได้เช่นเจตนาเปลี่ยนแปลงลงมาเป็นปัดเจกภูมิหรือสาวกภูมิก็อาจเป็นได้ไม่แน่นอนได้เลยบางจำพวกเมื่ออุปสมบทแล้วออกปฏิบัติเบื้องตนก็เจตนาว่าจะปฏิบัติเพื่อผลทุกในปัจจุบันชาตินี้ แต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็คลายออกเพราะเห็นว่าคงไปไม่รอดแล้วพลิกใจใหม่ว่าจะปรารถนาพุทธภูมิดังนี้ก็มีแล้วลาสิกขามาสู่ฆราวาสก็มีและไม่ลายังเป็นเพศปัรพชิตอยู่จำพวกนี้ข้าพระเจ้ายังไม่เข้าใจดีพิจารณายากขอฝากไว้ให้ท่านผู้ลูทั้งหลายอธิบายห้ฟังแล้ย